ตอนนี้ไปเวลาเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมไม่ย่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประโพงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใครพิทยาโน <laughs> ยองของกิตติยานุมาเยี่ยมจากปา ร, รีสมาเยี่ยมหลายวันได้พักอยู่วัดปะโพง3สามคืนแล้วยก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่นานาชาตินี่สามคนืนอีกสองคืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงเพือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุสาพยายามมาเยี่ยมวัดน้องป่าพง์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 เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นวัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปา ร, รีสเมื่อจากอาวัดหลวงปรพรุ่งและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้ จะแปลไปด้วยเดีเอาเลยนะี่นะเอาเลยม่ไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไปสาภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะ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 ไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จัดแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทําปัญญาให้เกิดขึ้นจา ก, กจิตใจของเรา สำหรับข้อประพฤติธปฏิบัตินั้นก็ mm hmm. ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบประงับก็คือกายกับใจอไอความเป็นจริงนั้น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 ถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้เสีมันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันนันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี้จิตของเรานี้คนวันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่บุบวาย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 กายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปรธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานา ม, มาธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แค่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดึกกายขับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจ มีอยู่สองอย่างเท่านี้มันบุญวายกันมีฉะนั้นการฝึ ก, กจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึ ก, กจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายาจิตนี้คืออะไร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 เป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ทันเรียกว่าจิตแต่ปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอัตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั่นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้ไม่มีตัวจิตนี่ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปอืม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 อยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้ว่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จอนกันมาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่างที่นี่เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก่อนทำจิตของเราให้ยุ่ง การตาทำจิตให้เป็นรากฐานก็คือกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอนาปานสติอนาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าลมอนาปานสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จัก ให้รู้จักการกระทํากรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันก็ยากลาบากเอาลมนี้ดีกว่าเพราะว่าลมนี้เป็นมงกุฎรรมฐานตั้งแต่ขั้งลึกดาบันมาแล้วเรานั่งสมาธิตอนเรามีโอกาสดีๆเราพอไปนั่งสมาธิกําหนดเอามือขวาทับมือซ้าย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 ดำปัญญาความรู้ตัวปับันนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวไทยคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวไทยปลายลมอยู่จมูกเมื่อลมหายใจเข้าไป ต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่ทัวไทยปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลมหนึ่งจมูกสองหัวไยสามสะดือและกหนึ่งสะดือสองหัไทยสามจมูกกำหนดสามการนี้หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยกำหนดลมนั่ง สหุดต่อไปให้รู้จักต้นดมกลางดมปลายดมต้นดมกลางดมปลายดมสมุดบางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องเ ร, งเราได้ต่างๆขึ้นมาเป็นตัวยกลมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์อ่ะจิตนั้นมันก็จะเป็นวิจารณคือการพินิจ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 เมื่อทำไปทำไปเช่นนี้จิตม่ทุตาควรแก่การงานกายก็เป็นมุตุตาควรแก่การงานคือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตมันกระวมเข้ารวมหายใจกระละเอียดเขาน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี้เอง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 เราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูเราว่ามันออกเดียว ก, ออก็มันเข้ามันออกมันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเราในจนจิตของเราสบายสงบความสงบของจิตเกิดขึ้นเนี่ยอให้หยุดจิตนี้เดียว่าหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่ง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 จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตรอดเวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานีออ้มีหลายประการเมื่อกันในอริยบททั้งสีมดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ขอเท่าเรามีสติกำนดอยู่เสมอเลยว่าบัดนี้ จิตใจเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้นีออ่หมายความว่าให้รู้จักความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลานี้เดียกว่าการทําจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนะ ปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็ น, นเมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจรารณาพิจารณาหรืพิจรารณามฐารคือร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปห้าปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาศีรษะเอาจิตที่สงบแลยพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ด้วย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 มาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าจักรนี่พระบรมศาสดาท่านสอนว่าอานิสักว่าเดือดธาตุเท่านั้นคือดินอวัยวะร่างกายเราเนี้สิ่งที่เคลื่อนแข็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเราเนี้ยท่านว่าธาตุนะลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำนี้ท่านเรียกว่าธาตุลม ความร้อนอบอุ่นในร่างกายทั้งหมดนี้ก็ทันเดียกว่าบธาตุไฟที่นี่คนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็มีสี่ประการเท่านั้นคือมีดินมีน้ํามีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีไทยไม่มีฝรังไม่มีขมิ้นไม่มียวนไม่มีเหล้าไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ํามีไฟมีลม เท่านี้เป็นอยู่ที่นี้ยึงสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาไอความจริงว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะควับไม่มีอะไรกรดินก็ดีน้ําก็ดีไฟก็ดีลมก็รียกางว่ามนุษย์นี้เป็นกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตาคือเป็นของแม่แนยยืนเป็นของแม่อยางยืนเป็นของแม่เนนอนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทีนี้ ไม่ยังยืนอยู่กับที่แม้แต่ว่าไอร่างกายของเราก็ไม่ไมแน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอโดยทีเดียวอืเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอืถึงแม้ว่าจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันเอมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา สารพัดอย่างเตมันจะคิดไปบางทีคิดขาดตัวตายก็นได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็นได้สารพัดอย่างอันนี้ก็ไม่เนโนนถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นเป็นทุกข์บั่งเป็นสุขบั่งสลับซับซ้อนกันไปนี่เดยจิตนี่มันก็เป็นของไม่เนโนนกายนี่ก็เป็นของไม่เนโนนรวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกขัง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 ความถือมั่นออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพินาเห็นอนิจจังทุกขังนิสตาละตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วมันก็หน้าสังเวชถอนอุปท า, านออกแล้วอืมนะถอนอุปท า, านออกไม่กระปุยดว่าเป็นตัวว่าเป็นตน ว, ว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างอืมจิตนะใจเห็นเช่นนี้มันเกิดนิพิทา ความเบื่อนายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเี็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาแล้วจิตใจเราเคอยจุดจิตใจเราก็เป็นธรรมะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีพ้นจุดดืดจุดเดือดทำคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทำกรรมฐาน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 ทั้งหมดทางพราลูกชายด้วยทางพระอาจารย์ทางหลายด้วยแล้วพอเอาธรรมะนี้ฝากเอาไปพิจนาใจเราก็จะสบายต่อไปนี้ใจจะไม่วุ่นวายใจก็สงบสงับกายวุ่นวายก็ช่างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวายถึงแม้วความวุ่นวายอยู่ในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายพ่อจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้อง มิฉะนั้นจงจำเอาไปพิริศติจรารณาเออผลต้นไม้ผลมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วก็บางทีถูกลมพัดนั่นก็โดนลงแต่ยังเป็นด อ, อกอย่นั่นก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆแต่วพลมมาพัดไปก็โดนทิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นผลเล็กเลยอเป็นด อ, อกเานั้นแหละมันหักไปลงพัดบางช่อก็เป็นลูกโตๆแล้ว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 ออกมาวันสองวันตายไปก็ ม, มีเดือนสองเดือนสามเดือนตายไปก็มีเนี่ยมันสันตเลยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ตายไปก็มีอย่างนี้บางคนก็ท้อเสียชราแล้วถึงตายไปก็่ามีเมื่อนึกถึงบุคคลแล้วก็นึกถึงผลไม้ที่มันไม่แน่นอนนักบวชเราก็เหมือนกันอย่างนั้น บชวชพรรษาหนึ่งศึกไปก็มีบางทียังไม่ได้บวชเลยเป็นพาขาวนพาพาขาววิ่งหนีก็มีไม่ได้บวชเป็นขาวเลย <c oughs> บางคนโกนผมจนหนีแล้วก็มีบางคนก็อยู่พันสามเดือนสี่เดือนหนีก็มีคนได้บวชเป็นนีกี มือนเป็นพระพรรษาสองพรรษาแล้วสึกไปก็มีสี่ห้าพรรษาแล้วสึกกว่ามีเหมือนกับผลไม้อยู่ในป่าเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดกระตกไปโดยไม่ได้สุขจิตใจมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไป ปลกอารมณ์าชุดไปมาดึงไปตกไปก็เหมือนต่ากับผลไม้เพราะเขาโงดังก็เห็นเหมือนกันอืเห็นสภาพของธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แต่ก็นึกถึงสภาวะของพระเนนซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกัน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 พระพุทธเจ้าของเราที่จะบวดในคราวที่เป็นแขนกุมารท่านก็มาไปเรียนอะไรมากมายมท่านไปเห็นต้นมะโ ม, มาในสวนอุทยานท่านนั้นไ ป, ไปชมสวนอุทยานกับอมตะทั้งหลาย อืขึ้นหลังช่างผ่านไปก็เห็นมะม่วงที่มันอยู่ในสวนมันเยอะอมตรงดีปไทยว่ากลับมาจึงจะเสวยอก็ก็ผ่านไปกบอมัดอยู่ข้างหลังก็ เก็บมามง่งตีด้วยกระบองบางอ้ยแสบบังให้ใบมันขาดกิ่งมันหักเพื่อม่งจะเอาลูกมันมาทานกันหมดตอนเย็นกลับมาผ่านย้อนอดอุทยานมาขนกกุมารจึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนนึกว่าอาก เสวยคนต้นไม้ทั้งหลายนั่นอย่ีกนรสมันรู้ว่ามันเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไรกลับมาตอนเย็นไม่มีเลยจริงมันก็หักใบมันก็ขาดเพราะเอามัดทั้งหลายนี่ยฟาดมันเนีมันยับยืนหมดเลยทันก็ถามว่าต้นมะม่วงต้นนี้ทําไมจริงมันถึงหักใบมันถึงขาดโดนไยหมด อบอกว่าพวกอมาตทั้งหลายเอากระบองตีมันฟาดมันเพื่อจะเอาผลมันมาบริโภคทั น, นั้นใบมันก็ถึงขาดกระจัดกระจายไปหมดจริงมันก็หักท่านก็มองเห็นมะม่วงอีกต้นหนึ่งว่าต้นนั้นทำมันทำมันทาไมจริงมันถึงไม่หัก ต้มมันถึงเย็นต้นนั่นเพราะว่ามันไม่มีผลถ้าไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการมันพรางก็ไมีขวางมันใบ ม, น ม, น ม, นมันก็ไม่โดนกิงมันก็ไม่ขัดถ้าเขเข้าใจตอนนี้พอดีก็เสด็จมาถึงพระราชวังพิจารณามาอมืเรานี่มันทุกข์มันยากมันลาบากก็เป็นพระมหากษัตริย์ เดี๋ยวทรงห่วงใยราษฎรทั้งหลายเดี๋ยวเขาจะมาลบเอาแหลมนั่นเขาจะมายึดเอาทางนี้วุ่นวายแม้ถึงนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขยังฝันไปอีกท่านมาคิดเท่านั้นท่าน่าเห็นต้นม่วงต้นนั้นว่ามันไม่มีรูปมีใบสดมีร่มเย็น เรานี่ก็ทําเหมือนมะม่วงต้นนี้มันก็สบายดีจริงมันจะไม่หักดีร่มมันก็จะเย็นพอดีมาถึงบ้านแต่ก็ภาวนาเลยออกบวชได้อาศัยเป็นมะม่วงเท่านั้นเนี่ยทันไปดูต้นมะม่วงต้นนั้นเนี่ยตัดเปรียบเทียบเทียงกับมหาเหล่าพอทานันมันมี ผลนำหมากหนกไม้ต้นมันก็ลำบากใบมันก็ลำบากกิ่งมันก็ลำบากมันยับยืนไปมันพังมันหักไปกเพราะมันมีมีมีผลต้นไม้ที่ไม่มีผลมันสบายดีใบมันก็ไม่โดนกิ่งมันก็ไม่หักลมมันก็เย็นดังนั้นถ้าเราไม่ควบคันอยู่ในคารวดนี้นะพี่จะเป็นผู้ไปคนเดียว ไม่มีความคิดมากมันมีความลำบากมากจิตใจก็จะสบายท่านออกบวชง่ายเวียกว่าใครถามว่าท่านใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านบอกว่าต้นมะม่วงออกบวดพ่อใครก็ใครเป็นลูปชาตต้นมะม่วงเป็นลูประชาตเนี่ย ไปทีนั้นถามบักไคเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านต้นมะม่วงเป็นอุปชาอาจารย์ของฉันเนี่ยพ่านนั้นมมเนี่ยไม่ได้แนะนำธรรมสอนเลยมากมายหรอกต้นมะม่วงเป็นเหตุให้ท่านมีความคิดน้อมต่อไปเป็นโอปนัยกับธรรมเพท่านก็ทําพาละไห้น้อย เป็นคนที่มากน้อยเป็นคนที่จะโลดเดือจากสวราต์เสสมบัติจิตใจก็สบายออกบวชอันนี้ในคราวที่ท่านเป็นโพสิสัตว์ทันบำเพ็ญมาเรื่อยๆมาอย่างนี้นี่ก็เมืนกันขัานนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้มันเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสอนเรา ถ้าเราทำปัญญาให้เกิดนิดเดียวนั้นแะมันจะรู้แจ้งแทนกระดในโลกนี้พเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เตรียมพร้อมที่จะสอนให้พวกเราอยู่แล้วต้นไม้คือเสาเสาวันทุกตะตามในโลกนี้มันสแสดงลักษณะอาการของมันต่างความจริงอยู่อย่างนั้นทุกอย่างถ้าบุคคลมีปัญญาเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเดียนปีไหน รู้อที่มันเป็นอยู่ของธรรมชาตินี้ก็ปัจรู้ทำได้เหมือนพระจนาโคุ ม, มานเพราะสิ่งทุกสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความจริงอยู่มีอเลขาดเลยพารมีปัญญาธารสังวรสังรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นนะ มันก็ปรุงอานิจังสุขขังอนัตตาได้ขนนะั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกทุกต้นอืมเราก็เห็นอยู่ในบนพื้นพัตตีนี้ต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นเป็นแนวเดียวมันจะเป็นเปนในแนวอันเดียวกันเป็นเป็นในแนวอานิจังสุขขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรนตั้งอย่าง ทุกๆต้นเสมอกันหมดต้นไม้มีเกิดขึ้นแล้วเบืองต้นทุกต้นแล้วก็แปรไปในทางทต่างๆต้นขนที่สุดมันก็ดับไปอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยถ้าเราเห็นต้นไม้เป็นๆนั้นเราก็น้อมต่อมาถึงตัวสัตว์ตัวบุคคลเราตัวเราความมัน่นคนดูดีควากมันก่นคนมันก็มีความเกิดขึ้นเป็นเบ้งต้น ในตองกลางมันก็แปลไปเกิดขึ้นบางต้นมันก็อสั้งอยู่สั้งอยู่แล้วมันกบแปลไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่สแสดงว่านี่คือธรรมะต้นไม้สุกต้นในหลายต้นกบเป็นต้นไม้ต้นเดียวกัน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 ร้ายไปถึงสุดก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคนคนทุกๆคนในสักนรนรกอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันฉะนั้นถ้าหากเราเห็นคนคนเยอะชัดเจนแน่ของมันการจะเห็นผลทั้งโลกอมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกนั้นไปทุกสิ่งสารคัตอันนี้เป็นธรรมะ ที่นี่สิ่งเราไม่มองเห็นด้วยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดมันก็เกิดขึ้นมาความคิดนั่นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วความคิดจนกาแฟไปเมื่อแปลก็แล้ยก็สาบศูนไปเท่านั้นเรียกนามมาทำสักก็จะความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปเนี่ยนี่คือความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ร่วนเป็นจปอริยสัจธรรมทั้งนั้น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 เนี่ยเราตรงมาไปจุดเดียวกันอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอไอ้ความจริงในโลกอันนี้มีอยู่อืนามธรรมคือความคิดรู้สึกนึกคิดนี่ก็เป็นของไม่แน่นอน อ, อมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธมันก็ตั้งอยู่เมื่อความโกรธตั้งอยู่แล้วกรความโกรธก็แปรไป เมื่อแปรไปได้ความสุขต้องความสลายไปเนี่ยอืเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขมันจะตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วเป็นต้นความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปได้ความสุขก็สิ้นหายไปหมดเนี่ยก็ไม่มีอะไรอ่าอม่มันกิเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลานี่ทางรูปอันนี้แต่กับทางนามอันนี้ ทางของภายในคือรูปนามา น, นี้เป็นอยู่อย่างนี้ทางของภายนอกคือต้อนไม้ภูเขาเถาวันทุกประการนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียวกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติอถ้าใครเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะจะเป็นผู้รู้จักธรรมะ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 มีความริลึกได้อยู่สำตะจันญะมีความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงอยู่แล้วทุกเวลาทุกการทุกเวลา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 ไม่สูญหายเหมนืนกันกับน้ําในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่บูรุษขุดบอ่อลงไปให้ถึงน้ําก็เห็นน้ำในเช่นเาบูรุษนั้นไปแต่งน้ําไปทําน้ําให้มีขึ้นบูรุษมันตรงกําลังขุดบอ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ําน้ามันมีอยู่ ในเบดูนั่นไปแต่งน้าอันนี้ก็อันใดฉันนั่นเหมือนกันก่อพุทธเจา้าของเราสมเือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้ปัญญัติบัญญัติธรรมะปัญญัติต่อบัญญัติที่มันมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วจันพิจารณาเห็นธรรมะไม่ได้ไปแต่งธรรมะธรรมะคือความจริงมีอยู่แล้วท่านไปเข้าไปรู้ความจริงอันนั้น ความจริงอันนั้นมีอยู่ฉะนั้นจริงเรียกว่าพระพุทธเจ้าถนัดจัดสรู้ธรรมจัดสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าจัดสรู้ธรรมคือไปรู้ธรรมที่มันมีอยู่ไปรู้ธรรมไปรู้สภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่แค่ไปแต่งตั้งขึ้นมามันเป็นกับบูรุษที่ขูดบอกไม่ได้ไปแต่งน้ําไม่ได้ไปทําน้ําให้ม <im> ันเป็นน้ำคือน้ํามันมีอยู่แล้ว เทียงแต่ว่าลงกําลังขุดบ่อเท่านั้นลงไปให้รื้อขุดเห็นน้ำกันนั้นในธรรมะที่มันมีอยู่นี่คือความจริงในโรคนี้ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นไปแต่งตั้งมันคือมันมีอยู่แล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นไปเห็นธรรมพรเดียวกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระธรรมที่ไป ก, กัดสู้ธรรมะนั้น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 ถ้าทำนี่เป็นเหตุให้บุรุษทั้งหลายมีเป็นผูรู้เป็นพระพุทธเจ้าใครจะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเมตตาปรินาสัตว์ทั้งหลายอยู่ยังช่วยมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ตามดีราถ้ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีความบุญปฏิบัติดีจงลักพักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อธรรมะ บุคคล น, นั่นก็ยังมีพุังาความดีอยู่ตลอดทุกวันนี้ได้ขาดไปทางไหนเป็นอยู่อย่างนั้นฉะ mm hmm. นั้นถ้าเรามีปัญญาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ห่างพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าอ mm ืม hmm. เป็นต้น mm hmm. เมื่อเราเข้าใจในธรรมะเมื่อไรเ mm hmm. นี่ย mm hmm. ก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นอืม mm hmm. แค่นั้นธรรมะก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่พวกเราทั้งหลายนั่งก็ต้องตั้งใจให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นนั้นว่าสิ้นจบลงแล้วในการประพฤติปฏิบัติอืมเราจะนั่งที่ไหนจะยืนจะเดินที่ไหนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาออื ม, อม ฉะนั้นท่านจึงให้อยู่ในที่สงบสังวรสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกรื่นกายจิตนี้เป็นหลักไว้เพราสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นที่อื่นอืมถ้ า, ากระเจ้าเจ้าจะใหนสังวรจะให้สังรวมให้รู้จักอืมเหตุที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกรื่นกา ย, ายจิต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 เป็นต้นจิตใจนี้ก่อนที่เป็นทัานบรกว่าเป็นธรรมารมเสดขึ้นมาท่านบอกอินทรีย์ทั้งหกนี้เป็นผู้เป็นใหญ่มีอยู่แล้วในตัวของเรารอบเพราะนั้นเสียเวลาผู้จะมาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเปน็นของง่ายเป็นของไม่ยาก อะไรทุกอย่างเขาพระพุทธเจ้าท่านบอกหมดทุกอย่างคล้ายๆว่าท่านสร้างสวานผลไม้เป็นสวนหนึ่งเราไมา่ต้องสร้างไอ้ท่านมาเชิญพวกเราทั้งหลายไปกินผลไม้ที่ ส, สนวนที่ท่านปลูกไว้เท่านั้นศีลกด็ดีสมาธิกด็ดีปัญญาก็ดีข้อพระพุทธปฏิบัติทุกประการนั้ น, ท, น, น, นท่านแนะนำสอนอยู่หมดทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันไม่มี น่าไม่ต้องไปแปลงเอาไปตั้งเอาไปบรรยัตเอาไปคิดเอาพ็มา ท, าทาําตามสิ่งที่มันมีอยู่นี่ที่เราไปจ่ายส่งสั่งสอนในนี้มันมีอยู่แล้วในง้นครัวเรามี่เป็นคููมีบุญเป็นครูมีโชคอืมมาพบของที่มีอยู่แล้วสวนท่านมีอยู่แล้วผลธรรมให้กูมีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดท่านรอบ บ, บุญสมบูรณ์แล้ว ขาดแต่บุคคลจะไปรับประทานผลไมเท่านั้นอันนี้ก็ฉข็ น, นั่นเหมือนกันเโอวัตธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคลิดตดีถูกตดีควรตอดีไม่ควรตอดีท่านสอนมดทุกิ่งทุกประการเนี่ยยังเหลือแต่บุคคลจะมีศรัทธาเข้าไปปฏิบัติเท่านั้นก็พอแล้วฉะนั้นจึงเห็นว่าพวกเราเนี่มีโชคหลายมีบุญมาก มือมองไปถึงสัตว์แล้วสัตว์ทั้งหลายมันจะเป็นเป็นสัตว์ที่มีอาภัพมากเช่นงูควายหมูหมาสัตว์ต่างๆนั้นเป็นสัตว์อาภัพไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมไม่มีโอกาสที่จะเรียนธรรมมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม เมื่อไม่มีโอกาสที่จะเรียนทมจะรู้ทมจะปฏิบัติทำจะเห็นธรรมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะปนทุกข์นี่อี่เหลวสัตว์เป็นสัตว์ที่อาพสัตว์ที่เต่วะกรรมเป็นอยู่เป็นต้นมนุษย์เราทั้งหลาย น, นี้ไม่ควรทำตัวอะไรเป็นมนุษย์ที่อาพ คือไม่มีข้อประิไมม่ีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาพัฒคือคนหมดหวังคือคนหมดหวังจากมรรคผลมิพานคนมีความหมดหวังจากอุญงามความดีเป็นต้นอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังแล้ว อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนอาภัพเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมนสัตว์เป็นฉัทั้งหลายเป็นสัตว์มีอาภัพคือไม่อยู่ในกายของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวงร้อมของพระพุทธเจ้าเนี่ยอืมฉะนั้นมนุษบนี้จึงเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมี ที่สมควรถ้าหากว่าบุคคลเราทาั้งหลายนี้มาปรับปรุงความเข้าใจความเห็นความรู้ของเจ้าของในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุที่จะได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ทรรมให้เห็นธทรรมในสนณะที่เกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้ฉะนั้นมันจึงต่างจากสัตว์ เป็นพระพระสัตวมาเป็อาภะพระสัเป็นสัตว์ ก, วกิจวัตรปฏิรูปธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าจริงแนะนําท่านสอนพวกเราทาั้งหลายว่านี้ธรรมะก็มีอยู่นี้ต่อหน้าของพวกท่านทาัน้งหลายนี้พระพุทธเจ้านี้ก็นั่งอยู่เฉพาะหน้าของท่านทาัน้งหลายนี้มีอยู่แล้วอืม ท่านจะไปหาที่ไหนเมื่อไร่จรึงเป็นที่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่จะสมควรเนี่ยกระทําดีเดี๋ยวก็ดีดีเนยกระทําชั่วก็ดีชั่วเห็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้อืมฉะนั้นจึงเรียกว่าพวกเราทั้งหลายนี้เป็นคนที่มีบุญ เหนือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งจินสัตว์จิรฉานทั้งนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไ ม, ไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นต้นมันก็จะกลับลงไปเป็นสัตว์ิรฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นยักษ์ เป็นผีสารพัดอย่างมันจะเป็นได้อย่างไรเราก็มองดูในจิตของเรานี้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลมเกิดขึ้นได้มันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโรคเกิดขึ้นได้มันเป็นยังไงภาวะทางหลายเ่านี้แหลมันเป็นพบเป็นพบเลยมันก็เป็นชาติ